ธรรมะไม่ได้เอาไปคิดเล่นๆ น, นะบางคนอ่านมากฟังมากคนะิดมากไม่ได้กินออกกิเลสไม่กลัวการคิดความคิดนะเป็นเครื่องมือของกิเลสปรุงนี่ยพี่สังคารมานเครื่องปรุงแต่งเราเรียนธรรมะเราไม่ได้เรียนด้วยการคิดเราเรียนด้วยการเข้าไปเห็นนะเข้าไปประจกักษ์ ต่อหน้าต่อตาเลยดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานถึงจะเกิดปัญญาที่แท้จริงบางทีคิดมากไปนะสมาธิหลุดเลยก็มีนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเป็นมองออกนะว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยจิตทรงสมาธิขึ้นมาก็เป็นพบพบหนึ่งเ้นี่มันพบเนี่ยไม่เอา ไปตอนไปเดินปัญญาก็เห็นว่าตอนเดินปัญญาก็เป็นพบอีกพบหนึ่งก็ไม่เอาอีกนะอะไรๆก็ไม่เอาสักอย่างเลยเอาอย่างเดียวเอาความไม่เอาอะไรนะ <c oughs> ระจิตมันเดินตรงนี้นะมันทอนออกจากการปฏิบัติเลยนะรูออกมาอยู่ข้างนอกเหมือนคนพอนนาไม่เป็นเลยนะอย่างนั้นปัญญามันล้าไปไม่ดีเมื่อคนอาคิด คาดล่วงหน้าเช่นเห็นสภาวะเกิดดับแล้วก็สรุปเลยเดี๋ยวมันเกิดมันก็ดับนะเรื่องอะไรต้องไปปล่อยให้มันเกิดดับก็ดับมันไปเลยจิตมันจะคิดเนี่ยอย่าไปให้มันคิดเลยมันคิดแล้วรู้ถันแล้วตัดทิ้งเลยมันนีฟุ้งซ่านคิดมากไปภานาไม่ขึ้นหรอกไม่ได้กินหรอกหลวงป่ดูลย์เคยสอนว่า คิดเท่าไรก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่ใช่ความคิดเกิดแล้วให้ตัดทิ้งมีเหมือนกันท่านสอนบางคนคิดแล้วให้ตัดทิ้งไปเราต้องดูกว่ า, วาท่านสอนใครคนนั้นอยู่ในภูมิธรรมระดับไหนพวกคิดมากฟุ้งซ่านตลอดมีกิิคิดมันตัดเลยพอรู้ทานว่าคิดจะไปคิดมันตัดทิ้งเลยดนั้นแก่ฟุ้งซ่าน าหายฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาเงี้นบางทีฟังครูบาอาจารย์พูดท่านสอนคนโน้นสอนคนนี้นะนี่แหละท่านสอนอย่างนี้แหละมีอยู่แค่นี้แหละจบพระหลักสูตรมีแค่นี้แหละที่จริงท่านสอนคนนี้ขั้นนี้คนนี้ขั้นนี้ น, น, น, น, นี่ขั้นต้นๆยังไม่มีสมาธิเลยทำให้มันมีสมาธิซะก่อนไม่เคยสงบเลยให้มันสงบซะก่อน ในจิตมันหนีไปคิดฟุ้งซ่านไปคิดมันกลับมาพุโทโธพุโทโธไว้มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ขั้นเบสิกถ้าฉลาดกว่านั้นท่านก็สอนไม่ใช่แค่สงบอยู่ท่านก็สอนให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปท่านบอกอย่าสูญจิอนอกคาว่าอย่าสูญจิตออกนอกเป็นคําพูดของท่านเพราะาตอนนั้นนอะ เรากำลังส่งจิตออกนอกท่านบอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่วิธีปฏิบัติคืออย่าส่งจิตออกนอกนะจิตมันออกไปแล้วท่านบอกอย่าไ้ออกไปกลับมากกลับมากถ้าพูดให้ยาวขึน้นเป็นอย่างนั้ น, นบางคนก็บอกของหลวงปู่ดูลไม่มีอะไรมีแต่ยาส่งจิตออกนอกก็าบังคับจิตให้นิ่งอย่างนั้นก็ผิดอีกล้คนที่เคยผิดก็คือหลวงพ่อนี่แหละก็ เ, เคยผิดมะ เพราั้นพูดเต็มปากเต็มคำทุกวันนี้มันบวไขคเลยเพราะว่าไอ้ที่เขาผิดผิดมานะเคยผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นอะ่ะยกเว้นผิดรูปผิดเมียคนอื่นนะได้ mm. <laughs> ยินหลวงปูดดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ออกนอกเราเข้าข้างในกิเลสมันพุดขึ้นมากลางหน้าอกเนี่ยดูมันลงไปตัวนี้เอ๊ะมันยังลึกลงไปได้อีกลึกไล่ลงไปนะ้เห็นกิเลสอย่างโทสะขึ้นมาดูมันมันหดลงไปข้างใน ตามลึกๆ ล, ล, ลงไปพอลึกลงไปแล้วมันหายไปเลยหายไปขึ้นมาใหม่รอดูเดี๋ยวต้อจับเองให้ได้เลยว่าเองมาจากไหนสักพกมือขึ้นมาอีกตัวอื่นขึ้นมากิเลสอื่นขึ้นมาก็ดูว่ามันวิ่ลงไปอีกไล่ลงไปนะก็หายไปอีกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่อย่างนี้นท่านไม่ให้ออกนอกเลยจะเข้าไปดูข้างในจเจอหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี้ กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเนี่ยไม่ได้ถามท่านเลยนะว่าเข้าไปควานหากิเลสท้างในอะ่ะดูครูบาอาจารย์ไม่ต้องถามหรอกท่านรู้ของท่านจริงๆแล้ว ร, นะรู้ดีกว่าเราอีกเราสร่งจิตเข่าไปหากิเลสต่บอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกมันนึกเนยหลวงปู่ดูลไม่ให้ออกนอกหลวงปู่สิมไม่ให้เข้าข้างในเอาไงดีวะ โอ้หลวงุู่เทศสอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้ทั้งจากทุกขทั้งป่วงนั้นกูอยู่ตรงกลางด <c oughs> ูสิหาเรื่องผิดได้หมดนะที่จริงอยู่ตรงไหนก็ผิดทั้งนั้นแหละแต่ที่ถูกคืออะไรจิตอยู่ตรงไหนรู้ว่าจิตอยู่ที่ท่านถูกไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้จะเอาจิตไปไว้ตรงไหน น, นั่นไม่ถูกหรอกเป็นรักษาจิตไว้กลางกล ความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งไม่เอาเดี๋ยวมันจะหนีไปรู้สึกใช้ฝึกไปฝึกไปโอ้ยงี่เง่าหนิวะเป็นฤาษีไปแล้วเงี้ยที่เวลาหลวงพ่อบอกพวกเราภาวนาผิดนะหนะลวงพ่อบอกด้วยความมั่นใจนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าคาดเดาหรอกมั่นใจเคยทำมาแล้ว ตั้งแต่สอนมาก็นานนะบวชมาก็15ปีแล้วก่อนบวชนะสอนมาอีกตั้งนานมีสภาวะอยู่ไม่กี่อย่างนะที่คนมาถามแนละ้วว่าเอออันนี้ไม่เคยเห็นสภาวะอย่างนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกนะเคยมีเหมือนกันนะมันพิสดานมนุษย์จริงๆนะแบบนั้นเราไม่เคยเป็นกรรมฐ า, านอย่าคิดเอารู้สึกเอานะ เรื่องการปฏิบัตินะหลวงพ่อสอนด้วยความมั่นใจนะแต่นิดยายนิฐานประกอบเนี่ยื่งทีผิดได้เพราะนั้นจามาอ่านมาหลายสิบปีแล้วบางทีกกลับหัวกลับหางเมื่อวานสอนให้มีศีล น, นะให้ขยันภาวนาไม่ให้ท้อถอยให้รักษาศีลเมื่อเช้าสอนเรื่องสมาธิให้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าต้องการความสงบนนก็ ทำกรรมฐานที่มีความสุขน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่สบายรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแล้วไปอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆมันสงบเพรมันเองอย่าอยากสงบถ้าอยากสงบจะฟุ้งซ่านแล้เมื่อเช้าก็สอนสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิตั้งมั่นก็ใช้กรรมฐานเดิมแหละแต่ไม่ได้มุ่งน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นมุ่งรู้ทันจิตเวลามันหนีไปที่อื่น พุทโธพุทโธจิตห น, นี้ไปคิดแล yes. so ้วเหยื่อรู้ทันหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดแจะไหลเข้าไปเพ่งที่ไหลเข้าไปเพ่งเพราะเราเคยทําสมถะจิตไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็ชินจะไหลเข้าไปเพ่งตอนนี้เอาใหม่จิตไหลเข้าไปเพ่งก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้จะได้จิตตั้งมั่น ได้จิตตั้งมั่นแล้วก็ไปเจริญปัญญาได้แล้วไม่มีจิตตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกใช้ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านไปฝึกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนต่อการเจริญปัญญาไม่ยากอะไรสมถานมันยากเพราะเราไม่มั่นใจรูปรูปคำคำนะเราไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเรามั่นใจนะทําไปแป๊บเดียวไม่ยากที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนอนึกเลยครูบาอาจารย์พูดง่ายเราทํายากตอนหลวงพ่อเร็นาแรกออกพรรษาแล้วเนี่ยขึ้นไปกราบหลวงปู่สุวัตท่านีก็บอกปล่อยวางจิตนะทิ้งมันไปเลยไม่มีอะไรหรอกทิ้งไปเลยเร า, านึกหลวงปู่พูดง่ายๆเราทิ้งไม่ได้อน啊ะ ระวางแล้วเราก็หยิบขึ้นมาวางแล้วก็หยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยง้วบางทีครูบาอาจารย์สอนนะท่านรู้สึกง่ายๆท่านท่านไปแล้วแต่เรายังทำไม่เป็นเราก็รู้สึกยากแต่ทำไปแล้วมันก็ง่ายเองอะ่นะอะไรทำใหม่ๆมันยากทั้งนั้นแหละขี่จักรยานทีแรกก็ยากนะใครขี่จักรยานเป็นบ้างยังไม่ใช่มีไหมเออเป็นเยอะนะหาทีแรกล้มไหมล้ม กรรมฐานก็เหมือนกันหัดที่แรกก็ล้มลุกลุกลานแต่ล้มแล้วถ้าท้อทแท้ใจนะไม่ยอมขึ้นจักรยานอีกก็ขี่ไม่เป็นหรอกล้มลงไปลุกขึ้นมาได้ขี่ต่ออยากเข้าไปใต้เท้องรถบรรทุกก็พอแล้วซ้อมไปเรื่ยเด็กก็ขี่เป็นใครปล่อยแฮนด์ได้บ้างมีไหมขี่แล้วปล่อยได้เข้าขายคนประมาท <laughs> <laughs> ตําหนิ <laughs> แหนเขามีให้จ well, kind of ับไม่ได้มีไว้ให้ปล่อยจิเลตอารมณ์กรรมฐานรู้วมันเพื่อจะปล่อยไม่ใช่เพื่อจะเอาส่วนแหนจักรยานเอาไว้จับไม่ได้เอาไว้ปล่อยให้มันรู้ซะบ้างจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่ว <troubling gives> ัดก่อนนมัสการหลวงพ่อครับขอโอกาสครับก็มาอยู่วัดครั้งแรกแล้วครับปฏิบัติมาเจ็ปีแล้วครับผม เาเมื่อวานแล้ววันนี้ครับจิตมีพลังขึ้นครับแต่ว่าช่วงนี้ยังเพ่งอยู่ครับผมก็ตอนนี้มาเพ่งอยู่ประมาณปลายจมูกนะครับสิ่งที่รู้ครับผมแล้วก็ของผมเวลาไปบาดก็จะมีเหมือนมีสิ่งที่รู้อยู่ข้างบนหน้าผาครับแล้วก็คอยดูตัวอื่นทํางานครับตัวนีออ้อย่าไปตั้งมันไว้นะครับอย่าไปจงใจแล้วก็อย่าไปจงใจดูไอ้ตัวนี้นะถ้าดูตัวนี้จะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไม่มีที่จบ แค่รู้ว่ามีตัวหนึ่งดูตัวหนึ่งแสดงอยู่แค่นี้พอละเราไม่ได้จ้องทั้งสองตัวแล้วแค่รู้ว่ามันมีอยู่มันทํางานของมันไปดูสบายๆครับผมขอกอ่านข้อนี่ครับพอดีผมพยายามฝึกดูลมหายใจมาเจ็ดปีครับแต่ว่าจิตไม่ชอบครับจิตชอบอสุภาแทนทีนี้ผมก็พยายามเพิ่มคำบริกรรมไปครับเป็นนับหนึ่ง2องสามสี่ห้าไปเรื่อยจิตเริ่มชอบขึ้นมาครับตัวนี้เราสามารถนับนับคู่กันได้กับ ดูลมหายใจใช่ไหมครับการนับกะลมหายใจไปด้วยกันได้หลวงพ่อหันทีแรกก็หันอย่างนั้นนะเริยนกับท่านพอลีนะท่านทราบรีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอะไรเงี้ยท่านก็สอนนี่พอจิตเราเริ่มสงบในการนับมันก็หายไปมันเหลือหายใจเข้าพุดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโทก็หายไปเหลือแต่หายใจสงบมากขึ้นนะหายใจก็หายไปนะเหลือแต่รู้ จะเป็นขั้นๆไปเวลาทำอนาตนาสตนะิใช้จิต ท, ที่ธรรมดาใช้จิต ท, ที่ธรรมดาไปทำกรรมฐานนะอย่าน้อมจิตให้สงบสงบเพราะให้เขาสงบหัวเขเองสงบเนี่ยสงบอยู่กับความรู้สึกตัวเลยไม่ได้หลงไปไหนเลยแต่ถ้าจิต ท, ที่ตั้งมั่นจริงๆนะ สงบลงมาตรตรงนี้ยก็ไม่ได้ว่าต้องเคลิมไปที่ไหนเลยแล้วนะจิตตัวนี้มีพลังมหาศาลเลยนะจิตตัวเนี้ไว้เดินปัญญาก็ได้เอาไว้พักก็ได้นะสมาธิทั้งสองตัวเนี้นะที่หลวงพ่อสอนเมื่อเช้าบอกอารามนูปนิชานเอาไว้พักลัคนูปนิชานเอาไว้เจริญปัญญาถ้าชํานาญขึ้นมานะลักคนูปนิชานก็ใช้พักได้ นะจิตจะไม่เคลื่อนออกไปนะพักอยู่ต้องผ่อนคลายเคล็ดลับคือสบายบนะต้องฝึกนะังนั้นถ้าจะทำสมาธินะี่จิตต้องคลายนะถ้ายิ่งใจเราผ่อนคลายมีความสุขนะนเวลาทำสมาธิจะง่ายเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ คนส่วนใหญ่กลับพัวกลับพางนะคิดว่าสมาธิทําให้มีความสุขที่จริงความสุขก็ทําให้มีสมาธิแล้วสมาธิพอถึงขั้นละเอียดแล้วมเป็นอุเบกขามไม่สุขหรอกนะมันเลยสุขไปอีกงั้นอย่าไปเริ่มต้นสมาธิด้วยการทําตัวให้เครียดใจนี่เป็นของที่ไม่ชอบให้อะไรบังคับงั้นเราพาใจมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐ า, านยังมีความสุขสบายเธอจะสงบหรือเธอจะไม่สงบไม่ว่าเธอ ต้องใจกล้าขนาดนั้นนะสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เรอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายใจแวบบเดียวก็สงบแนละ้วความชํานาญในสมาธินะี่มีสี่อันที่เรียกว่าสีว่าสีสของการทําสมาธิชํานาญในการเข้าชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิชํานาญในการออกอันที่ยากที่สุดคืออันไหนรู้ไหม ในการออกยากที่สุดเลยเียพูดเรื่องสมาธิคือคักนานๆมีคนคุยด้วยทียากนะตอนออกเนี่ยยากกว่าตอนเข้าอีกว่าสี่จะต้องฝึกก็รู้สึกจิตไม่มีกำลังค่ะไม่มีกำลังก็หายใจไปพุทโธไป นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวจิตก็มีกำลังมีไม่ไมีก็ช่างมันมีหน้าที่กาหายใจไปอย่าหยุดหายใจนะ <c oughs> หายใจไปก่อนอ้ไม่ได้มานานค่ะหลวงพ่อพอมาแล้วรู้สึกมันฟุ้งมากอะคะ่ะแล้วมันเหมือนเหมือนจิตมันไม่ไม่ไม่อยู่กับที่ค่ะจะไปอยู่เรื่อยๆก็มันฟุ้งซ่านไงค่ะ ตัวสั้นก็ต้องอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจอะไรไป<ะ>หายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกค่ะนวัตการค่ะหลวงพ่อก็อ น, นี่เพิ่งมาอยู่วัดครั้งแรกเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาเข้าคอร์สหรือว่าแบบมาอยู่ที่วัดเนี้ยค่ะจะทําได้ดีขึ้นกว่าปกติของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จริงอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่ <c oughs> อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมคะพ <c oughs> ยายหน่อยสินะค่ะ <c oughs> เมื่อนั้นมันดีแต่ตอนอยู่วันอยู่บ้านมันยอมดีต้องอยู่ตรงไหนก็ให้ดีตรงนั้นนะค่ะเป็นคารวะอยู่บ้านในหลายภาวนาเวลาอยู่บนถนนก็พอนาะถ้าเราไม่ต้องขับรถเองนะ ข, ขับรถก็คอยดูถนนไว้มีเวลาเมื่อไหร่ก็พอนาะเก็บเล็กเก็บน้อยบางทีเรานั่งอยู่บนรถอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันก็จะแบบว่าพยายามทำเหมือนกันบางทีหมายถึงว่าหลังจากเสร็จงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วพยายามทํา มันก็เส้ น, น, น, นงานมันเหนื่อยแล้วถ้ามันเหนื่อยแล้วดูจิตไม่ได้ให้ดูกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้แรงด้วยแล้วถได้หัดแยกขันด้วยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ดูลมหายใจออกนะไม่ใช่ดูลมหายใจเข้านะเห็นร่างกายหายใจออกเ <ipping. S 1> ห็นร่างกายหายใจเข้าค่อฝึกนะเดี๋ยวก็ได้แรง แล้วก็ขันแยกได้ด้วยค่ะนามัส ก, การเจ้าค่ะโนูปกติทําปัจจุบันใช้เป็นพุทโธค่ะแต่บางทีเวลาเราพุทโธแล้วเราเดินรู้สึกเหมือนกับครึ่งหนึ่งมันไปอยู่พยายามอยู่กับพุทโธอีกครึ่งนึงมันเหมือนไปอยู่กับเท้านี่เราทําถูกไหมเนะคะเราต้องการฝึกสติไม่ได้ฝึกพุทโธไม่ได้ฝึกเท้าอะไรหรอกรู้สึกตัวไว้เอาความรู้สึกตัวเป็นหลักไว้ พุโทโธก็เพื่อไม่ให้จิตหนีนานรู้ร่างกายที่เดินก็เพื่อไม่ให้จิตหนีนานจุดสาคัญก็คือเดินไปจะพุโทโธด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจิตหนีเรารู้คอยรู้ทันจิตไปอย่างนั้นก็ใช้ได้ก็แปลว่าจะเอาพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็ได้เอาจิตต่งาง เ, เอาจิตคือรู้ทันจิตไม่ใช่เอาจิตไว้นะแค่ออดเดินไปพุโทโธไปอยงเงี้ยจิตหนีไปที่อื่นแล้วรู้ทัน เรียกว่ารู้ทันจิตถ้าจิตรู้สึกทั้งสองอย่างพร้อมๆกันก็ น, นั้นะเพ่งอยู่แต่เพ่งแบบแบ่งแยกหลวพ่อก็ทำเป็นบอกล่าไอ้ที่ผิดนะเก่งมากเลยที่ถูกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกอเราต้องทำสบายๆเดินไปรู้สึกตัวไปเดินไปแล้วใจลอยรู้ทันถ้าเดินแล้วยังใจลอยอีกยังพุโทโธพุโทพโธเข้าไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องเดินละพุโทโธพุโทโธพุทโธเร็วๆ ใจก็จะไม่หนีพอใจเชื่องขึ้นมาแล้วก็พุโทโธสบายๆเดินไปสบายๆใจหนีเรารู้ใจหนีเรารู้แต่ก็ควรมีพุโทโธพุทโธ<ท> <ไป S 1> อย่าทิ้งเลยนะ<อ>พุโทโธนะ่ะดีค่ะค่ะ ข, ขอบคุณค่ะกลานมนมัสกา ร, รหลวงพ่อนะครับคำถามของผมก็คือผมอยากจะรักษาเศียรห้าให้ให้บริสุทธิ์อะครับ แต่เผิญว่ามีงานอดิเรกชอบร้องเพลงครับล เ, ลเลย<ม>จะถามว่าการร<ม>้องเพลงจะทําให้ผิดศีลข้อเพ้อเจอ้อไหมครับไม่เป็นไรร้องเพลงไม่ผิดศีลห้านะไม่ผิดไม่ผิดผิดศีลแปดมันจะไม่เป็นการ<ช>พูดเพ้อเจอ้ออย่างนี้หรครับไม่ใช่พูดเพ้อเจอ้อหมายไม่จําเป็นต้องพูดก็พูดมีบางคนนะเมื่อเขาเป็นคนที่เครียดจัโดโลวงพาถามว่าคุณทําอะไรแล้วสบายใจ ว่าเขาร้องเพลงออกไปร้องเพลงไปร้องเพลงแล้วจิตใจผ่อนคลายนะจิตใจผ่อนคลายแล้วก็ดูกายดูใจต่อร้องเพลงไม่ได้ผิดสี่ห้านะอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วการเนนทาผู้อื่นอย่างเงี้ยผิดศสียข้อสี่ผิดตรงตัวไหนครับ<า>เป็นพูดคํหยาบเพิร์เจอร์หรือว่าอะไรคไปนนนทาเขาเนี่ยนะเป็นพูดเพิรเจอร์แล้วน<อ>พูดเพิร์เจอร์ แล้วเป็นินทาเขาเนี่ยไม่ได้นินทาอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นนินทาให้คนอื่นฟังด้วยใชไหเขาเกิดไม่ชอบใจเขาเข้าใส่สอดเสียดด้วยร้องเพลงไปนะอย่าไปนินทานะครับกราบขอพระคุณครับกราบน้มาสักการหลวงพ่อคะอ่ะตื่นเต้นมากฝึก<า>ฟังซีดีหลวงพ่อมาเจ็ดปีนะะ เพงมาส่งการบ้านครั้งแรกอค่ะเมื่อวานก็อยู่กับพี่เลี้ยงเขาเขาก็แนะนําให้มาโผล่หน้าให้หลวงพ่อเห็นนิดนึงอค่ะเนี่ยหลวงพ่อเห็นทั้งหน้าเลยไม่เฉพาะนิดเดียวหรอกหลวงพ่อจะได้แนะนําได้ว่าตอนนี้กําลังติดอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะใชสังเกตเอาซิใช้ความสังเกตนะค่ะ กรรมฐานเนี่ยเราถามครูบาอาจารย์ไม่จาเป็นจริงๆอะคล้ายๆว่าพอนา ม, มานานแล้วไม่พัฒนาสตีอะไรเงี้ยให้ถามค่ ะ, ะใช้ความสังเกตตัวเองไปว่าไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไหมอย่างบางคนพอนานะจิตก็ว่างอยู่กนะันนะนี่ไม่ถูกหลักท่านสอนแต่ไม่เที่ยงสอนได้เป็นทุกข์นี่ทําไมมีแต่สุขทำไมมีแต่เที่ยงเนี่ยใช้สังเกตนะค่ะขอคําถามคําถามคําถามหลวงพ่ออีกนิดนึงนะคะ เคยเจอสภาวะหนึ่งก็คือว่าเวลานั่งคุยอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามีอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่งดูสองคนนี้กําลังคุยกันอนั่นแหละเรามีตัวรู้ค่ะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเวลาที่เราเป็นอย่างเนี้เราฟังอีกคนหนึ่งเนี่ยรู้เรื่องคือเข้าใจเขามากขึ้นก็เลยจะใช้เข้าใจได้ทั้งสองตัวเลยค่ะเข้าใจตัวเองด้วยค่ะทําไม่เป็นต้ตอบกับเขาอย่างนี้ มันม si like ีอะไรแฝงอยู่มันจะเห็นค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนี้ในการฝึกพยายามฝึกให้เหมือนกับเราเราเราเป็นแบบเนี้ยแล้วเราชอบอะค่ะไม่แน่ใจว่ามันแรงไปค่ะตัวรู้เนี่ยตั้งแรงไปเพราะันมีก็มีไม่มีก็แล้วไปค่ะถ้าจงใจว่าต้องมีตลอดที่แข็งค่ะ แค่เป็นเพ่งตัวรู้ไม่ดีค่ะแต่ช่วงแรกฝึกแบบนี้ไปก่อนได้ไหมคะมันจะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกค่ะหัดใหม่ๆทำได้แต่ว่าแก้ยากนะโอเคถ้าติดแล้วแก้ยากนะค่ ะ, คะโอเคขอบพระคุณค่ะแค่รู้ว่ามีอยู่ไม่ต้องจงใจแยกตลอดหรอกนะค่ะไมงนใจแข็งเกินไปค่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาติดปัญหาอะไรนะคะก็จะฟังซีดีหลวงพ่อนะคะ ฟังมาเจปีนะ ม, มันก็จะมีอย่างวันนี้มาก็หลวงพ่อก็ตอบคําถามหลายๆ อ, อย่างแล้วที่เราสงสัยก็เลยใช้วิธีว่าไม่รู้ว่านี้ซีดีหลวงพ่อเป็นวิหารหรือทำหรือเปล่าคะซีดีเป็นวิหารเรรทำไม่ได้วิสารเราทที่เราใช้คืออารมณ์รูปนํามคือกายใจของเราอย่างฟังซีดีแล้วจิตเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขอเห็นใช้ได้คฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยใช้ได้ค่ะฟังเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นไป ฟังแล้วก็รู้ทันกายรู้ทันใจยังไงใช้ได้เ okay, <ล>มื่อค น, นเอาซีดีเป็นศาสนะมากไปนะเปิดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ว่าไม่ฟังหรอกพอหลวงพ่อพูดประโยคนี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ประโยคเนี้ยรู้โวกหน้าเลยไม่ฟังต่อง <c oughs> ั้นดูกายดูใจไว้หลวงพ่อคะช่วงเนี้ยเดินจงกรมแล้วมันชอบแบบ มีความรู้สึกว่าอยากหลับตาเดินนะคะมันมันมันเป็นเพราะอะไรอะค่ะบางทีจิตมันอยากพักนะจิตมันอยากพักอยากสงบนะที่เดินเดินอยู่มันรวมเลยนะแล้วก็ยืนนิ่งนิ่งอยู่กับที่เลยก็มีแต่หลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งมันเดินจิตไม่รวมแต่มันหลับมันเดินชนมุงลวดทะลุออกไปนอกห้องเลยเคยเจออยู่รายหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อบวชอยู่วัดชนบทาน มันมีสาลากรรมฐานอยู่หลังวัดผนังเป็นมุ้งลวดรอบเลยนะแล้วก็มีบันไดลงได้รอบทิศเลยนั่งภาวนากันเช้ามืด น, นี่แหละอยู่ยุงมาทำไมเข้ามาเยอะใครเปิดประตูทิ้งไปป้าเพือพ่อนทะลุมุ้งออกไปแล้วแต่ถ้าจิตมันจะรวมนะก็ ย, ะยืนซะยืนใช่ไหมะยืนเอาให้มันหลับตาก็ให้มันพัก หลวงพ่อค่ะแล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมันก็รู้สึกว่าคือไม่ทันการไหลไปนะคะแต่ว่ามันเห็นว่าจิตมันไปคิดพอรู้สึกตัวตรงนั้นอะค่ะจิตมันก็มาเห็นกายอะค่ะอยู่ห่างๆอันเนี้ก็ก็ดูไปตามได้ได้ดูได้นะมันจะรู้กายก็ได้รู้จิตก็ได้ก็เห็นถ้าดู้กายก็เห็นกายอยู่ต่างห่างรู้จิตก็เห็นความรู้สึกอยู่ต่างห่าง ดูกายนะเห็นกายทำงานใจเป็นคนดู<ม>แค่นี้เขาก็มารู้กันแล้วไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกกรรมฐานมีมากเพราะว่าคนมันเยอะเท่านั้นเองกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งนิดเดียวดูนะแค่กายมันทำงานนะคะกายทำงานใจเป็นคนดูก็จะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเราบังคับมันไม่ได้หรอกมันกายเนียไม่ใช่เราหรอกมันถูกดูอยู่ส่วนจิตใจนะก็ เ, เปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้หรอก เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอดยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าเห็นวันนี้ตอนเช้าค่ะหลวงพ่อจะเทศเกี่ยวกับว่าจะต้องเห็นจิตมันไหลไปเหมือนเป็นขั้นกระบวนการหนึ่งของการที่จะแบบว่าเดินทางไปสู่อีกก้าหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะมีวิธีง่ายๆ<ะ>ไม่ต้องเดินตามคนอื่นเนาะค<ะ>แค่เราเห็นร่างกายอยู่ต่างหากใจเป็นคนดูเนี่ยมันก็แยกแล้วมันก็ตั้งแล้วคะนะน นมาส ก, การหลวงพ่อนะคะฟังซีดีของพ่อมาเกือบปีหนึ่งแ ก, ก่อนหน้านี้ก็จะฝึกแบบที่ทุกคนเรียกว่าวิปัสสนาคือเหมือนสมาธิที่หลวงพ่อบอกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้จริงๆฟังช่วงต้นรู้สึกก็หลวงพ่อตอบคาถามบางเรื่องได้เข้าใจมากขึ้นที่ที่ติดอยู่นะคะ ป, ปัจจุบันนี้ก็จะฝึกออตามรูปแบบบ้างแต่ไม่ได้บ่อยทุกวันมีเป็นบางช่วงเท่านั้น mm hmm. แล้วก็แต่เมื่อกี้ยังยังสงสารอยู่ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าให้จิตตั้งมัน่นแต่ว่าบางครั้งตัวเองเหมือนกับประคองมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะตั้งมั่นเนี่ยมอนตั้งอยู่โดยที่ไม่ได้ประคองอคือตัวรู้เนี่ยเคยเรียนอภิธรรมบ้างไหมเป็นมหากรุสลจิตญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกงังไม่ได้เจตนาให้เกิด เนี่ยถ้าประคองอยู่เป็นสังขาริกังมีกำลังอ่อนเป็นตัวรู้ที่มีกำลังอ่อนเดินตัญญาไม่ได้จริงอะปะครองก็คือเจตนาให้ตั้งค่ะือปะคองแล้วควรจะฝึกยังไงคะวิธีฝึกก็คือรู้ว่ามัน ไ, ไหลไปถ้ารู้ว่าไหลนะมันจะตั้งโดยไม่ได้เจตน า, าแต่ถ้าไม่อยากให้ไหลก็จะเจตนาค่ะ กว่าจะถูกได้เนี่ยเราเรียนรู้จากสิ่งผิดนะกรรมฐานเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยแล้วมันถูกเองเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อ น, นั้นก็ถูกถ้าเราพยายามทำให้ถูกเนี่ยโลภะมันจะเข้ามามันจะอยากดีมันจะกลายเป็นเข้าไปแทรกแสงบังคับกายบังคับใจงั้นอันตตากิลมัฐ า, ถถา น, นโยกเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินของคนดีนะคนอยากควบคุมตัวเอง การสุขาริกาเนยโยกเป็นเส้นทางของคนไม่ดีตามใจกิเลสนี่พอเอยากเป็นคนดีเราก็บังคับบังคับบังคับนะบังคับมากๆก็เหนื่อยเขาต้องหลวงพ่อแนะนําให้ทํายังไงต่อบ้างไหมคะือทําอะไรล่ะก็ให้แนะนำว่าควรปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะไม่ปรับปรุงหรอกนะดูไปสบายๆอย่าไปประคองค่ะค่ะทำธรรมสการครับ ออลูกอยากมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะขอบคุณพุทธเจ้านะหลวงพ่อทำงานถวายท่านไม่มีท่านนะเราก็ลาบากมืดบอดแต่ใส่คำสอนของท่านแนละ้วก็รู้ว่าโลกนี้ยังมีแสงสว่างอยู่ไม่ใช่ว่างมงายตามตามกันไปได้รู้จักว่าโลกนี้ยังมีความสว่างมีทางรอด เงินบุญคุณท่านเยอะนะลูกอยากกราบขอกันบ้านหลวงพ่อเป็นหลายปีอะคะ่ะเพราะว่าจะจะกลับมาได้ปีละครั้งอะค่ะเมื่อไหให้ใจมันอยู่กับตัวเองนะ <c oughs> หายใจรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกรู้สึกเข้ามาท <c oughs> วนเข้ามาหากายนี่นะอย่าให้ใจมันเจ้าออกนอกไปอย่างน้อยอย่าให้เกินกายออกไปนะ <c oughs> ไม่ให้เกินกายออกไปแต่ไม่ได้ดึงออกไปข้างใน ถ้าดึงเอาไว้ก็เกิดตึกเกินไปถ้าหลุดออกจากกายไปก็หย่อนไปนะงั้นให้จิตใจเนี้ยวนเวียนอยู่ในกายเนี้ยไม่ให้หนีไปคอยรู้สึกรู้สึกสบายสบายขอนะ ข, อ, ข อ, อการท่านหลวงพ่อหนูไม่ได้ส่งการบ้านปีหนึ่งแล้วคะ่ะอืหลวงพ่อนึงว่าแป๊บเดียวอ่ะว่ามามีความรู้สึกว่ า, ารู้สภาวะได้เร็วขึ้นดีค่ะ ดีแต่ต้องรู้เรื่องความเป็นกลางเลยนะมันไม่ค่อยกลางอะคะ่ะหลวงพ่อมันเบื่ออแหละปอวงอตอนนั้นแหละโทรศัพมันแทรกค่ะแล้วพอดีหนูอะมีเรื่องทางโลกเยอะ<ม>อะหลวงพ่อหนูก็เลยแบบบางทีมันก็ท้อแล้วหนูหนูก็ ท, ท่องว่าอดทนไว้อดทนไว้อย่างเงี้ย ม, มันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะคะหลวงพอ่อทนไม่ทนนะเราก็ต้องอยู่กับปัญหาจะชอบไม่ชอบก็ต้องอยู่กับมันใช่ไหมในในก็ต้องอยู่กับมันแล้วเรื่องอะไรต้องทุกข์กับมันมากนะ หนูก็เลยคิดว่ามันทําอะไรไม่ได้หนูก็ดูมันไปเออต้องอย่างนั้นเลยค่ะแล้วหนูมีมีอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาหนูแบบจะเดินจงกลมอย่างเงี้ยทาตามรูปแบบอ่ะมันออจิตมันชอบมาบอกว่าวปวดขาแบบเหนื่อยแล้วเลยมันจะบอกหนูตลอดแต่หนูไม่ยอมแพ้นะคะหลวงพ่อเออต้องอย่างนั้นอะ่ะหนูตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วหนูก็ค่อยๆเพิ่มสิบห้านาที อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดีย๋ยวตั้งเยอะเกินก็แล้วกันค่ะ ครึ่งชั่วโมง45นาทีอะไรก็โอเคแล้วค่ะงั้นหนูขอกลับขอการบ้านด้วยค่ะเพื่อต่อนะค่ะแล้วรู้ท่านโทสะไปโทสามแทรกค่ะข อ, ขอบนมัสการขอบคุณค่ะโทรสามันมาเพราะว่าเราไม่พอใจสภาวะปัจจุบันค่ะที่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราไม่ได้อยู่จริงนั้นเราเกลียดปัจจุบันนะหให้ <c oughs> รู้ท่านโดยใจไม่ชอบคนะ่ะ ่งอยู่แบบเกเกียดๆนะหรอคะหลวงพ่อแล้วมีโทสะหรอคะใช่อ๋อค่ะเข้าใจละคะขอบคุณคะ่ะกับนำมัสกัรหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกคะ่ะที่ส่งกันบ้านวันนี้เพราะว่าอยากจะปฏิบัติต่ออย่างถูกวิธีและถูกต้องคะ่ะคือใช้วิธีดูอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่ารู้อารมณ์นะ มีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นแต่พอเกิดอารมณ์แล้วจิตยินดีจิตยินร้ายให้รู้ทันแล้วก็จะรู้อารมณ์ด้วยจิตที่เป็นกลางรู้สบายสบายไปถ้าเห็นอารมณ์เกิดดับไปได้ก็ใช้ได้แล้วไปทำต่อไหมค่ะขอบคุณค่ะอหรือไปลายหน่อยแต่หลวงพ่อหมดแรงแล้วหน่ะ ที่เหลือก็ลงผ้าอุเบกขานะแล้วค่อยมายกมือใหม่ก็แล้วกันนะ